สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกมุตตาวตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้เป็นคำตอบที่ชัดแจ้งสำหรับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นมากมายว่าทำไมโลกทุกวันนี้จึงร้อนนัก เต็มไปด้วยความเลวร้ายต่างๆนานาที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งมรสุมใหญ่ทั้งน้ําไฟทาลายทั้งโจรร้ายเข็นฆ่าทั้งความเมตตากรุณาสิ้นจากจิตใจทั้งความขาดแคลนทุกยากทั่วไปทั้งแผ่นดินความกตันยูก็สิ้นสูญหมดลูกหลานทรยศแม่พ่อพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตาใหญ่ถึงทุกตีเข็นฆ่าทาทารุณกรรม อาจารย์ก็ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจสิทธิ์น้อยๆทำชีวิตให้พลอยสิ้นสุดจนถึงเกิดเป็นปัญหาว่าทำไมเมืองพระพุทธศาสนาจึงเป็นเช่นนี้ได้ทำไมความเดือดร้อนชั่วร้ายจึงมากมายนักทำไมผู้คนจึงลำบากยากแค้นนักตกอยู่ในสภาพที่น่าประวันพรั่นพรึงนัก กามุตตาวตัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่คือคำตอบกรรมคือการกระทำทั้งที่ดีและไม่ดีกรรมหมายถึงการกระทำ ซึ่งมีความหมายเป็นกลางคือมีทั้งที่ดีและที่ไม่ดีการกระทำที่ดีเป็นกรรมดีการกระทำที่ไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีแต่ที่นำมาใช้นั้นเข้าใจว่ากรรมคือความไม่ดีสถานเดียวเช่นเมื่อมีอะไรร้ายๆเกิดแก่ผู้ใดผู้หนึ่งก็จะกล่าวว่ากรรมของเขาคือความไม่ดีของเขา สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เป็นคําในพระพุทธศาสนสุภาษิตมีความหมายว่าคนและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆนานาทุกขก็มีสุขก็มีดีก็มีชั่วก็มีมิได้เกิดแต่ผู้อื่นใดมิได้เกิดแต่อะไรอื่นมิใช่เกิดแต่เหตุใดทั้งนั้นนอกจากกรรมที่ตนได้กระทําแล้วเองเท่านั้น อนาจแห่งกรรมของตนเองผู้ที่เป็นมนุษย์ในชาตินี้อาจเกิดเป็นสัตว์ในชาติหน้าได้ด้วยอํานาจแห่งกรรมของตนเองที่เพียงพอแก่ความเป็นสัตว์ซึ่งมีต่างๆประเภททั้งหมูหมากาไกา่วัวควายช้างมา้าที่อํานาจกรรมอาจนำให้มนุษย์ไปเกิดได้ประเภทนั้นๆในพระพุทธศาสนา มีเรื่องเล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ประพฤติดีประพฤติชอบมาตลอดก่อนแต่จะมรณะภาพได้จีวรมาผืนหนึ่งซักตากไว้บนราวด้วยมีใจผูกพันยินดีที่จะได้กรองจีวรใหม่เกิดมรณะภาพในช่วงเวลาก่อนจะทันได้ใช้จีวรเพื่อนภิกษุจะถือจีวร น, นั้นเป็นของตน สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามไว้มีพระพุทธดำรัสให้รอก่อนเจ็ดวันเพราะขณะนั้นพระภิกษุผู้เป็นเจ้าของได้ไปเกิดเป็นเลนเกาติดอยู่กับผ้าจีวร อ, อายุของเลนอยู่นานเพียงเจ็ดวันจากนั้นจะได้ไปเสวยผลแห่งกรรมดีที่พระภิกษุรูปนั้นได้ประกอบกระทาไว้เป็นอันมาก นี่เป็นเรื่องแสดงอำนาจของกรรมทางใจที่ใหญ่ยิ่งอาจนำให้พระภิกษุไปเกิดเป็นสัตว์ได้ทุกสิ่งเป็นไปตามอำนาจแห่งใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจมนุษย์ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ก็เพราะอำนาจแห่งใจมีเรื่องของพระภิกษุสำคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระได้เล่าไว้และมีผู้นำมาเขียนให้ได้อ่านกันต่อมาท่านเล่าว่าท่านต้องไปเกิดเป็นไก่หลายชาติเหตุเพราะมีใจผูกพันในแม่ไก่ กว่าจะรอดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นานนักหนาต่อมาเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติธรรมคำทรงสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้สึกรู้ไกลไปในอดีตหลายภพชาติจึงประจักษ์ในอำนาจของจิตว่ายิ่งใหญ่นักสามารถทำให้มนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ได้และทาให้สัตว วนเวียนอยู่ในภพภูมิที่ต่ำนักหนาได้ควรจะสลดสังเวชและควรจะกลัวอำนาจของจิตที่ตั้งไว้ผิดยิ่งหนักความไม่เข้าใจในเรื่องของกรรม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม้เป็นจริงเช่นนี้แต่มีผู้ที่เชื่อว่าเป็นจริงเพียงจำนวนน้อยนักเพราะไม่มีภาพให้เห็นว่าเมื่อชีวิตออกจากร่างของคนคนหนึ่งไปก็ไปเป็นอีกร่างหนึ่งได้เช่นหมูหมากาไกา่ความไม่ได้เห็นชัดๆ ด, ด้วยตาเนื้อเช่นนี้ทำให้คนส่วนมากยากจะเชื่อว่าคนก็เกิดเป็นสัตว์ได้ สัต์ก็เกิดเป็นคนได้คนฐานะสูงก็เกิดเป็นคนฐานะต่ำได้คนฐานะต่ำก็เกิดเป็นคนฐานะสูงได้คนร่างกายดีๆก็เกิดเป็นคนแขนด้วนขาด้วนได้คนพิการแขนด้วนขาด้วนก็เกิดเป็นคนมีแขนมีขาได้คนหน้าตาน่าเกลียดผิวพรรณเศร้าหมอง ก็เกิดเป็นคนสวยคนงามได้คนสวยคนงามก็เกิดเป็นคนน่าเกลียดน่าชังผิวพันธ์เศร้าหมองได้ยิ่งกว่านั้นคนก็เกิดเป็นเทวดาได้และเทวดาก็เกิดเป็นคนได้ความไม่เห็นด้วยตาเนื้อประกอบกับความไม่มีความเข้าใจในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมที่ทำให้คนส่วนมากไม่กลัวการเกิดใหม่ ว่าจะนำไปสู่สภาพหรือภพชาติที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเช่นเป็นสัตว์นรกผู้ไม่เชื่อเรื่องมโนกรรมน่าสงสารที่สุดใจสำคัญที่สุดใจต้องคิดไปก่อน เป็นมนโนกรรมหรือกรรมทางใจอะไรๆจึงจะเป็นผลตามมาจะดีหรือจะชั่วก็แล้วแต่ใจจะคิดดีหรือคิดชั่วผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมที่เกิดจากใจคิดเป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุดเพราะเขามีโอกาสที่จะตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายน่าสลดสังเวทยิ่งนักสภาพที่เกิดแต่ใจคิดนําไปนั้น เกิดได้ทั้งในพบชาติปัจจุบันนี้ตลอดไปจนถึงพบชาติข้างหน้าอย่างที่ว่าแม้คนก็เกิดเป็นสัตว์ได้แม้คนก็เกิดเป็นเทวดาได้และแม้สัตว์ก็เกิดเป็นคนได้แม้สัตว์ก็เกิดเป็นเทวดาได้